หลับตาลืมตาให้เสมอ ทำได้อย่างนั้นจริงนะฮะมัน ไม่รู้ไม่ชี้ความสุขกับความทุกข์ความสุขทุกข์ก็เท่าเทียมกันอย่า Tua, rú tường, rú trang. Trai l'an rú, tường, rú คือเขารู้อยู่เสมอคือเสมอต้นเสมอ สมสัดเพราะว่าของ เมื่อเขาพยายามเรียกติ๊กต๊กครั้ง <m> ผ่านเข้ามาทางความ เธอนั้นคิดพล่านทั้งวันหาใช่ผู้ทรง ด้วยความจริงแท้ไม่แปรปรวนความๆแจ่มใสหัว เป็นจอมของหิมาลัยนะดังนั้นแสงอรุณแรกของดวงอาทิตย์ย่อมจบที่ยอดดอยนั้นก่อนแล้วก็ฉาบ ย่อมมีใครเป็นสักขีเป็นสักขีวิญญาณๆก็ เดินอยู่ในความคิดปิดปีแล้วปีแต่หัวใจก็ เมื่อลดดำขึ้นในขณะที่เราเสาะสมทรัพย์ที่ จึงอยู่นะครับที่มีคํากล่าวปัญญาเป็นปุจฉาอันสว่าง โดยการนำของๆเพราะศีลถูกและอะไรไม่ถูกอะไรไม่ถูก ในยามที่เราหลงนั่นคือทางสติปัญญานั่นเองจะ เราต้องการอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เราต้องการอย่างยิ่งคือฐานรากเช่นเดียวกันการก่อสร้างอาคารฐานรากก็ ที่จันทรรังแล้วก็ปลารับ ความยังดีที่สุดบทบาทของเขาก็คือทั้งหมดที่เราจํามาจาก บรรลุภายในได้ๆไหมอย่างดีมีศรัทธาบ้างเข้าๆทางรอกทางด้าน รู้ได้โดยการคิดด้วย และทุ่งกลองก่อนเป็นแบบนี้เป็นพัฒนาการชีวิตและในบางช่วงบางตอนเป็นการอภิวัฒนาการคือการ ขับรถยนต์บางตอนนั้นต้องพุ่งไปข้างก็ถึงบางตอนซึ่งเครื่องเสียแล้วทางลาด ตัวโกจรนี้ไม่มีศรัทธานะครับมันเป็นสุนหยนอันตรายๆเสบียงๆการเดินทางไกลชนิดนี้ก็ อยู่อารมณ์สนุกสบายวันอารมณ์สนุกสบายมายาภาพต่างๆ และธานอุตสาหะอุปสรรคได้ก็คือบารมีเรา มีจุดสิ่งผู้เสด็จสู่ 4 4 ประการที่เราควรจะทําทําๆโดยไม่ต้องคิด การเข้าถึงศัพท์ธรรม 4 4 ประการ พ้องสุขญาติดีกับคนเป็นชีวิตชนชาติใน ต่อชีวิตมันเป็นสิ่งเดียวกันจุดเดียวกันน้ำน้ำที่อยู่อารมณ์ คิดขึ้นแล้วมีอยู่เฉพาะรานด้วยความตระหนักมิตรภาพเห็น สิ่งประเสริฐต่อท่านที่ 2 หรือ 2 จากความสึกที่มี 2 นี้ จิตจอดลักษณะของการ 3 ที่เรา มีๆเมื่อตั้งเห็นเด็กเห็นยอดไม้จากใบๆก็ปล่อยยิน พ้อนะใส่ 9 ใส่โถแล้วก็ลื่นหกรมข้างโอ้คุณเป็นอะไรบ้างเปล่านะ คนบางคนเสียดายเจ้าไม่เสียดายข้าวหรือน้ำผากที่เลือดอาบพิจารณาเสียนี้แล้วหรือน้องของเราที่เราใช้ถือ เขานามนั้นก็อาจไม่ไลกก็ได้ครับแต่ว่า เราได้ยินข่าวว่าใครพ้นทุกข์ 4 ก็คืออุเบกขา เมื่อเณรที่รู้สึกตัวเป็นกลางๆนั้นพร้อมสมฤทธิ์ ไม่ใช่เมตตาไม่ใช่กรุณาไม่ใช่มุทิตาคือปราศจากสิ่งกรุณามุทิตาเพราะเป็นฐานเป็นศูนย์กลางที่จะสามารถเคลื่อนไหวเป็นกรุณาและ สิ่งนี้ดังสาคนตนัคคือว่าประพฤติเจ้าผู้ๆที่หัวใจ ดูดกะดาดซับที่แห้งสนิทหมึกตะอันที่มืด ต่อเรื่องราวไม่สิ่งที่ประเสริฐซึ่งชุบน้ํามันไว้เต็ม จะยอมลดจิตใจให้ตกต่ํานี้เกลือกเช่นนี้นะครับต้องคนที่จะกําหนดรู้ ความเพียรผู้จะบรรลุถึงจิตที่ ที่มีเหมือนเดียวกันชมวิหารนั้นชื่อว่าเป็นธรรมของผู้เป็นใหญ่นี่ เมื่อเขามีสิ่งที่เรียกว่าประโมทวิหารเขาก็ได้เพิง แต่ก็ยาวเราก็รู้สึกตัวได้ตลอดชีวิตของเราว่าๆนะครับ พอจะดราฟต์ตามนี้สําคัญแล้วก็ เมื่อศรัทธาน้อยความเพียรจะน้อยศรัทธาไม่มีเลยความๆเท่านั้นเพื่อปจบประจานคนนั้นเท่า ตั้งสติบ่อยๆเพราะฉะนั้นความเพียรนี้ต้องทําอยู่เสมอเพื่อต้องการไม่ช้าไม่ เป็นต้นต่อนั้นคือการสมาธิซึ่งสามารถแลเห็นเป็นฐานที่แลเห็นอะไรต่อมิอะไร อันนี้อะไรเหล่านี้ได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อเจริญสติ จมรุจชมเห็นปฏิภาณไวพริบความรื่นเรืองใจก็จะตาม เราจึงต้องพัฒนาหลายๆสิ่งตัวขึ้นมาด้วยเพื่อที่ให้หรือแหวนที่เลียน นอกเหนือจากการปฏิบัติสัจธรรมเพื่อเข้าถึงสัจธรรมแล้วท่านผู้รู้ครั้งอดีตด้วยกันเมื่อเข้า คนผู้เข้าถึงสัจธรรมนั้นชื่อว่าเป็นคนแท้เป็นมนุษย์ที่แท้ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นมนุษย์เท็จเทียมเป็นมนุษย์ ผู้ที่เข้าถึงสัจธรรมเช่นนั้นคือเป็นมนุษย์ กลัวกลัวนี้โน้มเอียงไปในทางโลกโลกโลกอีกเลยเราเห็นเค้าโครงชนิดนี้นะครับเราก็เริ่มละ ละคนละมันเนี่ยเข้านี้เองทะลนละมันได้แล้วไม่กลับมาอีกนั่นเรากําลังก้าวไปด้วยดีแล้วทะละแล้วกลับมาอีกนั่นแสดงว่าพลังตัถาวิริยะสติแล้วเมื่อ พออยู่สุขสบายเกินไปในชั่วโบมถึงสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์คนรากผู้